การที่นิกายโปรตดดัสตสันขึ้นมาในแผ่นดินใหญ่ของยุโรปได้ทำให้องค์สันต์ ป, ปา่ปาป่าหรือโ ป, ป๊ปที่วาติกันเสื่อมอำนาจลงไปประเทศที่อยากจะเป็นอิสระก็กได้โอกาสและก็เป็นจังหวะที่เอื้อต่อประเทศอังกฤ ษ, อกฤษพอดีในช่วงเวลานั้นกษัตริย์อังกฤษคือพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งครองราชในคศ1 5ึ่หรอถึงพหรสือพศง ถึงสองศทรงมีปัญหากับพระมเหสีที่ไม่มีราชทายาทเพศชายพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะอยากกับพระมเหสีเพื่อมีพระมเหสีใหม่แต่องค์สันตปาปาไม่ยอมประกาศให้การอภิเสกสมรสเดิมเป็นโมคะขณะนั้นอำนาจของวาติกันกําลังเสื่อมลงพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็เลยออกกฎหมายให้อังกฤษแยกตัวพ้นจากอำนาจของโปก สังศาสนาจากอังกฤษชื่อนิกายอังกฤษคือ church of england ขึ้นมาในคศ .1534 สอ15 34, โดยสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นประมุกของนิกายใหม่นี้เองจากนั้นทรงมีมเหสีอีกหองค์รวมเป็น6องค์และได้รัชทายาทชายหนึ่งองค์คือพระเจ้าเอ็ดเวริร์ดที่6มีราชธิดาสองซึ่งต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์ทั้งสององค์คือแมรี่ที่1และอลิซาเบธที่1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 ศาสนาจากหรือนิกายอังกฤษได้มีความเป็นโปรตัสแตนมากขึ้นมากขึ้นและพระนางแมรี่ก็มีเรื่องที่ทําให้ชอบช้ำพระไทยมากใจจริงพระนางเป็นคาทอลิกแต่ยอมแสดงว่าสละนิกายคาทอลิกและคงความเป็นคาทอลิกไว้เงียบเงียบจนตลอดรัชกาลของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ที่เป็นคณิถภาดาต่างพระมารดาแต่พระนางแมรี่ที่หนึ่งมีพระชนมายุกแก่กว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6กถึงยีปี เมื่อพระนางแมรี่ที่หนึ่งขึ้นครองราชแล้วเมชาก็สรงเริ่มงานฟื้นนิกายโรมันคาทอลิกกลับคืนมาโดยกลับยอมรับอำนาจขององค์สันตปาปาหรือโปอบพระนางแมรี่ที่หนึ่งครองราชอยู่เพียงห้าปีแต่เพียงขึ้นปีที่สถึงปีที่หพระนางได้กำจัดพวกโปรเตสแตนต์ด้วยวิธีเผาทั้งเป็นตายไปประมาณ300คนอีกจานวนมาก หนีไปอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของยุโรปจึงได้สมยาว่าพระนางแมวรี่กระหายเลือดเมื่อพระนางแมรี่ที่หนึ่งสวรรคตในปี1558แล้วพระกนิทภคินีต่างมารดาซึ่งประชนมายุอ่อนกว่าถึง1 7พรรษาได้ขึ้นครองราชเป็นพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่หนึ่งและได้เป็นกษัตริย์องค์สำคัญที่ครองราชอยู่นานถึง45ปี สวรรคตคหนศูออ 03, หรือพศสสองพระนางเจ้าอลิซาเบธที่หนึ่งเป็นโปรเตสแตนต์จึงได้ยกเลิกอำนาจของสันตปา ป, ป, ปาส่งฟื้นศาสนาจากอังกฤษหรือนิกายอังกฤษขึ้นมาใหม่ส่งเดินสายกลางระหว่างพวกแคทอลิกกับพวกโปรเตสแตนต์ที่ตึงจัดเช่นพวกพิริตันจึงทรงมีปัญหากับทั้งสองพวกนั้น